ใครที่ทำงานดุนยาเยอะๆเนี่ยอัลลอ์สั่งให้นบีขอดุอาอภัยโทษให้คนเหล่านั้นด้วยเอาดุนยานำหน้าอาคิร์เนี่ยมันแย่นะเดี๋ยวพอตายเถอะสำนึกตัวแล้วกลัวกันหมดน่ะนะครับเอามาดูคุรานะนะครับอายานีอายาที่ห2สบสองนะครับและซุร้อนูตนี่วันนี้จบแล้วนะจบซุร้อนูดนะฮาหมุลิลลาไปน้อง พี่น้องสังเกตสุรนูเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดเรื่องมารยาทหรืออักลากทั้งหมดเลยมารยาทจะนันอิสลามกับมารยาทแต่มันของคู่กันนะจะนั่นมุสลิมต้องมีมารยาทงามมุสลิมจะกินจะเดินจะนั่งต้องมีมารยาทหมดเลยนะเข้าห้องประชุมจะออกจากห้องประชุมเรื่องประชุมกับท่านนาบับีต้องขออนุญาตท่านอบีทุกรายการวันนี้ เอาไปใช้กันแต่มุสลิมเรนไม่ได้ใช้แอบแอออกจากที่ประชุมโดยเงียบเงียบไม่บอกให้นาวีรู้ก็ล็อโกธน่ะอย่างนี้เปต้นนะเอามาดูอกุรอานอินนามุมินุนั่ลานันอัมานุบิลลาฮิวะรัสูลีไว้จะแกนุมะฮูะลา أمر إن جامع وإذا كانوا معه على أمر إ ا م ع لم يذهبوا حتى يستأذنوا อَนนั้ลที่นั้นَะอัُต์น ئ ِ ك َ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فإذا شَأْنِهِمْ ف َขَลีบางส่วนน شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ ا, أ, ل, أ ل ل َّ ه า อินน ل ل ลลาฮฺัُูรุลราะหิม a l h a m d u م i l ُ a h ل َนั้มัลมุ่มินُนั่ลล๊ะซีนัَอัมัณุบิลลาฮฺัวะรัสูลี وإذا كانوا معه على จะไม่ไปจนกว่าจะได้รับอนุญาตนั่นคือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพระองค์ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพระองค์ผูที่อนุญาตจา จากนั้นแจากอัลลอฮ์มาจากชั้นฟ้าชั้นที่เจะตั้งแต่วันที่อัลล์ประทานอัลกุรอานลงมาถึงวันนี้จะราจอยชั้นฟ้าเนี่ยปิดหมด มาให้ใช้ตอนยินขึ้นไปบนชาน้าไปขวางจราจรเก็คุณอ่านจะลงมาเนี่ยยิบรีนจะขึ้นไปไม่มีอะไรมาขวางเลยแบบรถประธานาธิบดีออกถนนใหญ่นี่ยจราจรปิดหมดใช่หรือไม่ใช่เหมือนกันกุณอ่านก็เหมือนกันจราจรขึ้นลงบนชานฟ้าเนี่ยโอโลสงบเมาก่อนนี้จราจราจรไม่ปิดยินขึ้นข้างบนใช้ตอนขึ้นข้างบน เอาในาทวน่องยินกับชายตอนะเป็นศัตรูกับมนุษย์ที่มามอ่างกุฎใบอ่างนมาดเนี่ยประกัดแรกเนี่ยเปนศัตรูกับมนุษย์ยินกับชายตอเนี่ยมันเก่งกว่าเราอัลลอฮ์ให้มันเก่งกว่าเราห้าหกรายการฉะนั้นเราต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์คุ้มครองยินชายตอเนี่ยอย่าให้มีอิทธิพลเหนือเราข้อเท็จจริงยินกับชายตอนนี่มันอะไรนะ มันบินได้สองยินกับไซตตอนี่มันหายตัวได้มันแปลงร่างได้แล้วยินกับไซต์ต่อนี่เราเห็นมันเห็นพวกเราแต่พวกเรามองไม่เห็นมันยินกับไซตตอนี่มันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของมนุษย์เวลามันวิ่งมันวิ่งในเส้นเลือดนี่คล้ายล่าไปฟังอ่ะ นบีเล่าไห้ฟังระวังนะอัลลอฮ์ให้มันมีอิทธิพลเหนือเราในเยอะนะวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของมนุษย์อะแล้วยินกระชายต้อนี่มันสามารถกระซิบกระซาบที่หัวใจของมนุษย์อิทธิพลที่อัลลอห์ให้เห็นยังต่อมายินละชัยตอนเนี่ยมันทําอันตรายที่ร่างกายแล้วก็ที่สมองของคนได้ทีนี้ก็หมายถึงเด็กๆเกนี่ยนะมัน อันตรายเนี่ยหกเจดรายการเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้เราฟังผ่านท่านนาบีมุฮัมมัดให้เราระวังตัวของเราอย่าให้อิทธิพลยินกษัตริยต่อ น, นั่นมาคอนโทรลเราฉะนั้นเราต้องขอความคุ้มครองจากล่อให้ห่างจากยินกษัตริย์นนเนี่ยวิธีขอความคุ้มครองก็มีทั้งมหมด8ดรายการหนึ่งอ่านกุรานอายาสไหนก็ได้สุรรนัยอ่านเยอะๆยังอ่านทุกวันยังดีใหญ่ อันยาุบิลลาอันบิสมิลลาอันสุรอฟะติฮะอันสุรอบะคารอันอายาคุซีอันอิซามคุนอัลลอฮฺไปนองนี้แหละแม้จะเราเองไม่สบายป่วยเนี่ยนบีเองก็ทำเป็นแบบไว้บอกให้ท่านยิงไอชาเนี่ยก่อนที่นบีจะเสียชีวิตสองวันสามวันเนี่ยนางยกมือขึ้นแล้วก็เปล่า แล้วก็อ่านสามกุญเนี่ยแล้วก็ลูปไปที่ตัวนบีตั้งแต่ศีษะจดเท้าเลยอะ่ะทำอย่างงี้นะสามครั้งนี่นบีทําเป็นแบบให้ดูอะ่ะฉะนั้นขอความคุ้มครองจากอลัลลอฮ์เนี่ยนะครับผ่านอัลกุรอานเนี่ยนะครับให้รอดจา้คุ้มครองตัวเรายิงเราแข็งแรงอยู่ตอนนี้นะมันต้องแข็งแรงตังตวการขอบคุณอลัลลอฮ์โดยการอ่านอัลกรุรอานเยอะ เร า, ารู้ความหมายของอัลกุรอานแล้วก็นำเอาความรู้ของอ่านเนี่ยมาอะไรมากำกับชีวิตของเราบนโลกดุนยาใบนี้ก่อตายนะครับเอามาดูครกุรอานวันนี้มีอยู่หลายประเด็นนะพี่น้องนะอินนามุมินุนั้นทีนาอัมโนบิลลาฮิวร س ุลีอัลลอฮฺอักุบดอินนามาแปลว่าแท้จริง อัลมูม uh ินูนแปลว่าผู้ศรัทธาผู้สัผู้ศรัทธาตรงวงเล็บเลยนะผู้ศรัทธาที่แท้จริงมันมีศรัทธาไม่แท้กับศรัทธาแท้มีหรือไม่มีมีพวกเรานี่แหละศรัทธาแท้นี่เข่งขันในหลักการของาศาสนาอ่านกุณอ่านอยู่เป็นประจำนะมาที่มัสยิดอยู่เป็นประจำเรื่องไราสาระไม่สนใจ โมโหมารแรงๆก็ให้เอาัยนี่มุมินที่แท้จริงหมดเลยนี่ต้องการจะเน้นนะมุมินที่แท้จริงเนี่ยคืออัลลอนั้นอัลลอฮฺมุมินที่แท้จริงคือผู้ที่เขาศรัทธาอาลลอฮฺศรัทธาในอัลลอ ทำไมเน้นไปเน้นเรื่องเรื่องอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ตลอดเวลาเนี่ยเพื่อจะเตือนเรานะ่ะเรากับอัลลอฮ์เนี่ยขาดกันไม่ได้เรากับอัลลอฮ์เนี่ยต้องโยมกับอัลลอ์ตลอดเวลาต้องนึกถึงอัลลอ์ตลอดเวลายกเว้นที่ไม่ต้องนึกถึงอัลลอ์เนี่ยมีอยู่สองที่นะ่ะหนึ่งอยู่ในห้องน้ำสองให้ความสุขกับภรรยา สองสองที่ตรงนั้นแหละนั่นก็ต้องนึกถึงคำสั่ง allah อัลลอฮ์เองอะไอจีนอนเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยมันต้องนึกแต่ไม่ให้วิเกตถึงอัลลอฮ์เนี่ยขณะที่อยู่ในห้องน้ํำแปลว่าในห้องน้ <c oughs> ําลยีเลออินลอหลอซุบฮานลอหลอไม่ให้นึกถึงอัลลอฮ์ไม่ให้ชมอัลลอฮ์ในห้องน้ําแล้วก็ไม่ให้ชมอัลลอฮ์เหมือนกันอะไรหนะ้าตอนร่วมลำนองกับภรรยาพ่อมาเลการเนี่เปิดโอกาสอ้าวท่านอยู่ในสองที่ในฉันมาอยู่กับคุณเลยนะ ให้เกียนะรติน่ะมาลายกายังให้เกียรติเราอะ่ะแล้วเราจะไม่ให้เกียรติอัลลอฮ์เลยไม่ให้เกียรติมาลายกาย่เลยทีนี้คนมุ่งมินที่แท้จริงนะ่ะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยังไม่พอวารอซูลีฮีและศรัทธาของใครนะั่ต่อรอซูลของอัลลอฮ์ของครูกันคําว่าศรัทธาต่อรอซูลมาถึงเรียนซุนนะนบีต้องเรียนซุนนะนะบีต้องเรียนอยู่ตลอดเวลา อ้อรอเรื่องใหญ่มากกันพี่น้องจะนั่นที่บ้านมุสลิมมันต้องมีหนังสือนะผมเนี่ยซื้อหนังสือเข้าบ้านบทุกอาทิตย์เลยนะแต่ไม่เคยซื้อจากประเทศไทยมุสังจากอินเดียมัง่งปากีสั่งจากต่างประเทศหมดเป็นภาษาอาหรับบางรูดูมากต้องอ่านนะไม่พอต้องอ่านต้องอ่านต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาพี่น้อง อ่าเรื่องทีหนึ่งมุมินที่แท้จริงหรือเราเรียกว่าคนพิเศษของอัลลอฮ์นะหลายคนอยากได้รับแต่งหน่งว่าเป็นคนพิเศษของอัลลอฮ์คนพิเศษของอัลลอฮ์ก็คือข้อที่หนึ่งอามานูบินละฮิวาร์ซูลิฮิเขาจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์คำว่าศรัทธาต่ออัลลอฮ์ดังหกข้อนะอะไรบ้างอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อละซูดอีมานต่อขัมพีอีมานต่วอต ว, วันสิ้นโลกอีมานต่อ วันเตียมะอีมานว่าตายแล้วต้องฟื้นฟื้นขึ้นมาต้องมายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์มารับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ต้องอีมานหกข้อนะครับแล้วก็สุนนะของท่านนบีก็ต้องศึกษาต้องเรียนต้องอ่านสม่าเสมอแล้วก็ท่องจําปกป้องสุนนะนบีด้วยนะครับเอาต่อมาครับเรื่อง ที่อัลลอ์ต้องการจะอธิบายเรื่องนี้ก็คือว่าอิจาการูมาอาหูอาลาอัมรินเจมีอและเมื่อเขาทั้งหลายอิจาการูอิจาแปลว่าเมื่อการูเขาทั้งหลายมาอาหูอยู่กับท่านนบีฮูหูเนี่ยหมายถึงอ ย, อยู่อยู่กับท่านนบี ถ้ารวมอยู่กับท่านนาบีนั่งอยู่กับท่านนาบีอาลาอัมรินอาลาเพราะเรื่องหนึ่งเรื่องใดทำงานหนึ่งทำงานใดย่ามีอินบปลว่ารวมอยู่ถ้ารวมอยู่กับท่านนาบีในงานหนึ่งงานใดก็ตามถ้าอ่านอย่างนี้ไม่อาศัยตัรศีดไม่รู้ว่าเอ้งา น, าน อยู่ร่วมกับท่านนาบีเนะี่ยมีทั้งหมดห้างานหรือหงานก็ได้ห้างานหรือหกงานอิตเลีนะผมอ่านจากภาษาอุรดดูแล้ว อ, าาอ่านจากภาษาอังกฤษสรุปแล้วนะมีประมาณประมาณหกงานด้วยกันงานที่หนึ่งอะไรบ้างยาวมุญจุมะวันนมาวันศุกรนะ์เนี่ยร่วมกับท่านนาบีเไหม สองนมาอีตร่วมกับท่านนาบีอันที่สามออกต่อ้วนะต่อสู้จิฮาดในคุทางของอัลลอฮ์เนี่ยนบยีออกสวาบะก็ออกข้อที่ห้าฟิล ม, มุชาวัลล์ในการประชุมปรึกษางานเกี่ยวกับของท่านนาบีเกี่ยวกับงานศา ส, สนาของอัลลอ์เนี่ยเวลานั่งประชุมกันเรื่องที่ห้าเนี่ย เวลานบียืนปราศัยในเป็นน้องเขาเรียกว่าทิวเปิลอะไรนะ public speech public speech หมายถึงยืนพูดต่อหน้าประชาชนบางทีคนเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะบรรดาสหาบาที่นั่งอยู่ร่วมกับท่านานบีเนี่ยอลัลลอฮ์สัง่งนี่เป็นงานศาสนาด้วยนะอย่ามองเรื่องนามาดอย่างเดียวงานศ า, าสนา เรื่องประชุมกันก็เหมือนกันนั่งอยู่รวมกันกับท่านนาบีก็เป็นงานศาสนาเห็นยังครับนี่กูงานอะเรื่องมารยาทในที่ประชุมสำคัญที่สุดเปน้องเป็นน้องกษัตราบ์เราวันศุกร์ทำตัวยังไงใช่ไหมรู้ลใช่ไหมวันศุกร์กัข้ามัสยิดทาตัวยังไงแต่งตัวยังไงใส่เครื่องหอมยังไงเข้ามัสยิดด้วยเท้าไหนสอนหมด <c oughs> ก่อนจะนั่งมัสยิดนะทำไงไาให้นามาก่อนสอนละอาะนี่เป็นมารยาทหมดเลย <c oughs> นามาดอีกกลางแจ้งแล้วมันมกันให้ออกมาแต่เช้ามาตรนนามาดให้เกียรติกับลานกว้างใช่ไหมอา้าวให้ตักเบรดนึดสอนได้หมดเลยวันนี้กำลังสอนว่าเมื่อเข้าปัญชุมร่วมกันกับท่านนาบีก็เป็นงานาศาสนาด้ดยนะเอาวันนี้นบีไม่มีเราคุยกับใครอ่ะคุยกับอเราแต่งตั้งน่ะ อเมซันี้ใช่ไหมอ่ะอีมามัสยิดก็นั่งคุยกับเขาอ่ะอ๋อถ้ามาใช่เป็นมัสยิดเป็นชมรมก็หัวหน้าชมรมอ่ะหัวหน้าที่เราแต่งตั้ง่ะก็ต้องฟังเขาน่ะต้องนั่งอยู่กับเขาน่ะพอนั่งอยู่กับเขานั่งแต่ท่าได้ไหมละ่ะมันต้องนั่งแบบที่ท่านอัลลอฮ์นั่งกับบรรดารอซูนบรรดากับบรรดาซอบานอบดุลเบียร์ขานั่งกันยังไงอ่ะ แล้วก็จะออกไปไหนมาไหนไม่ใช่หนีออกเงียบเงียบไอ้คนที่หนีออกคือโมนาฟิกนี่ต้องการจะเล่าหนีออกจากที่ประชุมเงียบๆอย่ากมาโ่กมาสศกเนี่ยแวบหนีออกไปกูไปนอนก่อนดีกว่านบีอ่านคุณบ้ายาวเราเกิดไม่ได้อีกก็้วมันกันแวบน บ, บียืนพูดต่อนหน้าพาร์พลิกสเปชเนี่ยคน เ, เยอะๆเนี่ยต้องนั่ฟังอ่ะใจ ก, กูไม่พอใจอ่ะกูไปแล้ วันนี้ก็เหมือนกันท่านนบีไม่พูดกหมายถึงอิหมามพูดอัลละมะพูดก็ต้องนั่งฟังเขาอ่ะฉะนั้นในการนั่งร่วมกับท่านนบีท่านนบีไม่มีร่วมกับบรรดาอาเ ล, ลมอัลละมะต้องนั่งให้เกียรตินี่เป็นงานศาสนาหมดเลยไ่นองนเห็นอย่างกับนี่กูอ่านอายะนี้ต้อ่อานแล้วก็นึกเ่้เราเนี่ยบางทีก็ทําผิดเหมือนกันอ่ะไม่เข้าประชุมนะครับบ้าเองประชุมมาเห็น ง, งานกูไม่เกี่ยวอะไแบบนั้น ไม่ได้ยันงานศาสนามีประมาณ5รายการหนึ่งนำมาร่วมกับนบีในวันนมาฎวนันศุกร์ในวันอีแล้วก็ไปปกป้องศาสนาเรียกว่าจิฮาดข้อที่ห้าในที่ประชุมงานใหญ่ใหญ่ข้อที่ห้าก็คือนบียืนพูดต่อหน้าป u b l i ลิกสปีเนี่ยต้องนั่งดูเขาประชุมเล็กเล็กย่อยๆเหมือนกันก็ต้องต้องนั่งประชุมกันอย่าแอบหนี ถ้าแอบนี้แสดงว่าคนนี้เป็นคนบูนาฟิกเป็นคนที่น่าไหว้หลังหลอกและเป็นคนชั่วเป็นคนเลวเรื่องมารยาทสำคัญอินนามุมินุนัลลาฮินะอานุบิลฮิวรัสูลีแท้จริงผู้ศรัทธาที่แท้จริงหรือคนพิเศษคือผู้ที่บรรดา ผู้ศรัทธาในอัลลอ์และศรัทธาในรอยูลของอัลลอ์งานที่จะต้องระวังก็คือไวจาการูมาหูอัลลอัมรินจาเมะและเมื่อพวกเขาทั้งหลายนี่อยู Allah, <affiliate> ่รวมกับท <jam> ่านนบีม <waterfall burning artists> ุฮัมมัดมาหูเนี่ยกับท่านนบีมูฮัมมัดสอลแลมอัลลอฮ์อัมริน ในงานสำคัญสำคัญคืองานอิสลามเนี่ยสำคัญทุกข้อน่ะอย่าไปมองว่างานประชุมงานเล็กงานนามางานใหญ่ไม่ใช่งานประชุมก็งานใหญ่ท่านศาสนามันไม่เจริญวางแผนกันไม่ได้อะจะทำยังไงในงานศาสนาเนี่ยเด็กติดยาเสพติดอยู่ในหมู่บ้านมีอยู่ห้าคนไปเช็คมาแล้วทําไงอ่ะผู้ใหญ่ก็ต้องนั่งประชุมกันนี่ประชุมเพื่อจะแก้ไขนะครับ มีในในหมู่บ้านมีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งมาอยู่ด้วยกันโดยธรรมศนามาเช่า อ, อาพาร์เมนต์อยู่ของสุราวด้วยมัต้องวางแผนกันหมดเลยนะเอา้าช่วยกันแก้ไขช่วยกันปรับปรุงเวลานั่งประชุมนี่แหละเป็นงานศาสนานะครับอาลามรินจามีอินนะครับพี่น้องในงานที่สำคัญสำคัญอลัลลอฮสัไงรู้ไหมลัมยาฮบู นะครับเขาทั้งหลายจะไม่ละจากไปจะไม่หนีแอบออกไปเวลานั่งประชุมกับท่านนาบีนี่อลัลลอ์สั่งนะอย่าแอบหนีออกไปละยะฮะบลัมยะฮบพวกเขาจะม่อะไนะจะไม่ละจากไปจะไม่หนีออกไป y a ตย a จ i น u จนกว่าเขาจะได้ขออนุญาตอิสตานไปว่าขออนุญาตขออนุญาตใครครับขออนุญาตใครระซูลของอัลลอหฮู้คำว่าฮู้ตัวเดียวเนี่ยขออนุญาตท่านนาบีก่อนฟรารังเอาไปใช้รัฐสภาเอาไปใช้ใช่ไม่ใช่อ่ะออกมาแลวมายืนคง้งผมจะไปก่อนแล้วนะผมไม่อยากฟังมึง ไปนองนี่ค่ะคุรานอันอนลลอฮ์เตือนซอ บ, าาบ้านนบีประธานอ่านุรานลงมาให้ท่านนบีให้นบีอ่านเตือนซอ บ, าาบ้านนบีว่างานาศาสนาก็นั่งประชุมอยู่นี่อย่าห้ามออกไปไหนต้องนั่งประชุมฟังสองท่านนบีพูดจะพูดเรื่องอะไรก็ได้นํามาปฏิบัติไปแก้ไขไปปรับปรุงเรื่องใหญ่มากซึ่งงานนี้พวกเราส่วนใหญ่ก็บางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นงานาศาสนา ผมเองก็เพิ่งรู้นี่แหละเราให้ความสําคัญมา ก, ก่อนเราให้ความสําคัญเหมือนกันแต่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นึกว่ามาฟัดูใหญ่กว่าทายุทธใหญ่กว่าเห็นไหมล่ะมามัสยิดใหญ่กว่าแต่ประชุ ม, มเท่าไหร่เามอ่านคัมภีร์ลแล้วไม่ใช่ประชุมก็เรื่องใหญ่โอ้เห็นไหมพี่น้องการประชุมกันเนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยละ่ะแค่นั้นถ้างานศาสนาไม่มีการประชุมกันเนี่ยไปได้ไหมละ่ะ มันไปไม่ได้ตางคนตางทํามันไปไม่ได้มันต้องทำเป็นจะมาความคิดเดียวกันคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันนี่อัลลอฮฺสั่งในการากานะครับเอาต่อมาครับอะไรนะยาอะไรนะอ่าทลายเนี่ยจะไม่ละไปจากท่านนาบีจนกว่าจะได้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตจากท่านนาบีก่อน faith in alladinaya statazinnaka in alladinaya s t a t a ตรงนี้ดีมากนะการเป็นน้องแท้จริงบรรดาที่ได้ขออนุญาตจากนบีมุฮัมมัดใครที่จะออกจากที่ประชุมโดยไม่แอบออกโดยไม่มุดออกโดยพอพอเพือก็แอบออกไปเลยนี่นะ เขาไม่ทำแต่ทุกครั้งเนี่ยเขาจะขออนุญาตจากอมิตก่อนจากท่านนบีก่อนถ้าขออนุญาตจะเป็นไงครับอุลยกลลดีนยมนับิลลาฮิวรซูลดังนั้นพวกเขาเหล่านี้คือบรรดาผู้ศรัทธาในอัลลอฮ และศรัทธาในระซูลของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนี่ไงอยู่ตรงนี้พี่น้องทั้งหลายไม่หนีออกจากที่ประชุมของทางทีมเรื่องจะเกิดปวดท้องจะเข้าวของน้ําก่อนอย่างเงี้ยจะออกก่อนออกต้องขออนุญาตก่อนนี่เป็นคําสั่งอยู่ในคัมภีคุณอ่านเพียงย่งใกั้พี่น้องเป็นงานศาสนาหมดเลยเข้าใจนะเอาต่อมาครับ อลัยกะเหลดีน่ายุมินูนบิลลาฮิวะรัสูลีเหล่านี้คือบรรดาผู้ศรัทธาในอัลลอ์และรอสูลของพระองค์ใช่ไหมเรื่องเข้ากับเข้าประชุมไปงานศาสนาก็สรุปนะงานของท่านนาบีมีประมาณหกเจ็ดห้าหรายการก็รายการหนึ่งนำมาวรรจุร่วมกับท่านนาบีเคยมีมาแล้วเนี่ยกองคาราวานมาใช่ไหม แล้วก็คนที่นมาก็ท่านนาบีนออกไปดูกองคาราวานหมดให้ท่านนาบียืนบอสอาบ่าประมาณสิบสองคนอัลลอประทานอันหวานลงมาเลยอยาอยัลลีนมนอิซานดียลิาลามีอิลจมอันอันยา ว, ยาวพี่น้องอัลละทีหลังห้ามออก จะงานธุรกิจค้าขายจะมากแค่ไหนก็ตามอย่าออกจากท่านนาบีเพราะวันนั้นนะทำเป็นแบบประว้คือเหลือนบีกับสวาบาสิบสคนยืนนมาศวนันศุกร์ทั้งหมดไปยืนมุงใช่นะมุงการค้าหมเลยตั้งนี้น่าจะรด้ว่าเอาดุนยาใหญ่กับอาคิรอใช่หรือไม่ใช่เนี่ยถ้าหากคนที่ทำแบบนี้นึกแบบนี้เนี่ยนะแสะดงว่าเอางานดุนยาใหญ่กว่างานอาคิรอ เราสั่งให้นบีขออภอัยโทษนะครั้วกเขาด้วยเห็นไหม เ, เรื่องด่าไม่มีอเห็นไหมไมีแต่ขอดวอาเตือนกันอย่าทําอย่างนี้นะให้ทําเป็นครั้งสุดท้ายนะต่อไปอย่าทํานะอเลาสัลงเราเตือนนะครับการนะท่า น, นคนเวลานะห้องนั่งในที่ประชุมเวลาออกตรองอไรนะต้องขออนุญาตท่านนบีก่อนถ้าวันนี้ไม่มีนบีก็ขออนุญาตใครนะอามิดในที่ประชุมขออิหมามก่อน ลีดเดอร์ก่อนผู้นำก่อนนะครับ فإذاستزنوكالي بعض شأنهيم فإذاستزنوكالي بعض ดังนั้นถ้าพวกเขาขออนุญาตต่อท่านนบีเพื่อกิจการบางอย่างลิบัดิษะนิฮิม เพื่อกิจการบางอย่างของพวกเขาเอาล่ะสั่งเลยนะฟะรันดังนั้นจงอะไรนะจงอนุญาตให้เขาออกไปเถอะบางคนปวดท้องอาจจะเข้าห้องน้ า, าอ่ะอย่าออกเอา้าอย่างนี้ไปนะเอาล่ะสังนะ่งเลฟะรันละจงอนุญาตในหะ้เขาออกไปเถอะจะนั้นเรื่องยาคือเรื่องขออนุญาต เ ห, หมในอิสลามนะต้องขออนุญาตก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสองอาทิตย์ก่อนเรื่องขออนุญาตเข้าห้องใช่ไหมนะหลังนามาซุบุกห้ามเข้าหลังอะไรตอนปล่อยลูแล้วตอนกลางวันห้ามเข้าหลังนามาดอีชาห้ามเข้าต้องขออนุญาตก่อนเรื่อง as permission เนี่ยเรื่องใหญ่มากเลยนะเรื่องขออนุญาตคนฝึกลูกหลานเราให้เป็นคนที่ขออนุญาตนะครับ นี่คนนี้ก็พูดเรื่องประชุมกับท่านนาบีใครที่นั่งประชุมกับท่านนาบีนงานใหญ่สุดแล้วงานใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วอเอาต่อมาครับลิมันสิตามินหุมอลัลลอฮ์สั่งไงท่านนาบีทำไงนะก็จงอนุญาต ผู้ใดก็ได้ในหมู่พวกเขาที่ท่านนบีประสงค์นบีสามารถจับยั้งไม่ให้ออกก็ได้อยให้ออกก็ได้สิทธิของท่านนบีก็มอบสิทธิจะอนุญาตไม่อนุญาตอยู่ที่ผู้นำให้ผู้นำสั่งสั่งสั่งนี่เป็นศาสนาเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายด้านผู้นำต้องมีต้องอ่านคุ่อ่านจะได้รู้คนตามก็ต้องอ่านคุ่อ่านจะได้รู้ว่าหน้าที่ของผู้นำกับผู้ตามไม่เหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ต่อมาครับวัสตากฟิรลาฮุมมาอยู่ดีๆมาก็วัสตากฟิร์ลาฮุมลุลลอฮและจงของการอภัยโทษจากอัลลอเพื่อพวกเขาทำไมต้องอธิบายตรงนี้นี่ไงพี่น้องครับทำไมอาศัยตับซีนไม่รู้เลยว่าเอออยู่ดีๆก็จงของอภัยโทษต่ออัลลอฮให้กับพวกเขาเรื่องอะไรอะ่ะ คือในการออกจากที่ประชุมไปมันมีงานอยู่สองอย่างไม่งานดุนยากับงานอาคิเคโรถ้า ง, งานดุนยาเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยให้ความสําคัญกับดุนยามากกว่าอาคิเคโรดีหรือไม่ดีไม่ดีครับคือทําตัวเป็นคนคนคาเฟสนะ่าคนคาเฟสเนี่ยเขาปฏิเสธอาคิเคโรเขาเอา ง, งานดุนยาเนี่ยใหญ่กว่า งานอาคิร์รอถอดเพราเขาไม่เข้าใจเขาว่าอาคิระรอแล้วเราอ่านกุราเนี่ยรู้สุนานาบีหมดนะแต่ยังให้ความสําคัญกับโลกอาโลกดุนยามากกว่าอาคิร์รออีกเลยเช่นอย่างเงี้ยกําลังนมาดวนสูงอยู่เนี่ยนี้ออกไปทําอะไรนะไปยืนมุงไปต่อรราคาซื้อขายกันอยู่ปล่อยนบียืนอ่านคุณบากก้าคุเดียวอ่านแสดงว่าหลงงานดุนยามากกว่างานอาคิระรอแล้วก็นบีก็เหมือนกันนะทาเป็นแบบไว้นะ่ะ ลูกสาวนาบีเองท่านหญิงฟาติมะระารยลล่วันฮากซายนาอาลีเนี่ยมาหาท่านนาบีนะเพราะนางเนี่ยทำงานบ้านเนี่ยมือเนี่ยแข็งก้านหมดเลยอ่ะก็พอทราบข่าวว่านาบีได้เฉลยศึกมาเยอะชนะสงครามมาซานาลีกับฟาติมาก็ไปไปย่งก็ไปคุยกับนบีก็ขอวันนั้นไม่พบพบแต่ภรรยา ก็ไปขอร้องอยากได้คนช่วยงานน บ, บีตอบไงรู้ไหมพ่อจะให้ของที่ดีกว่างานช่วยงานในบ้านอีกอันนี้ก็หูพึงไม่จะฟังอะไรน บ, บีบอกว่าก่อนนอนนะลูกนะให้อันซุบฮานะลอสา3สาครั้งอัลฮัมดุ ล, ลิลลาอีสาสบสาครั้งอัลลอฮุอะัยอะสีสาบสาครั้งแล้วก็ค่อยนอน เห็นไหมพอ ล, ล, ลูกสารนบีกับศานาลีเดินกลับบ้านก็คุยกันสองคนกูได้บันทึกฮะดิสร่าวนะมาขอพ่อเรื่องอเรื่องดุนยาให้คนไปช่วยงานที่บ้านพอมันเหนื่อยพ่อกลับให้อาคีอรอแทนโลกดุนยาเห้ยมายนี่งานยังยังเนี่ ย, ยขนาดบ้านนาบีเองบ้านหลานนาบีเองบ้านลูกสาวนบี ทำงานได้งานดนยาใช่ไหมให้เหนื่อยไปอไงคนช่วยไม่ต้องไปช่วยทำทำถือความก็สามารถทำไม่ไหวก็พักพรนะใช่ไหมแต่ว่างานอาคิเรสาสำคัญกว่าเจนี้ฟัสต้าฟิฟสลาฮูมุลลออัลลอฮฺสั่งอัลโฮมฮัมมัดจงขออภัยโทษให้แก่เขาเหล่านั้นต้องการจะอธิบายว่าคนที่ เอาโลกดุนยาเนี่ยใหญ่ยยกว่าโลกอาคีรอนนะเขามีความผิดนาะฉะนั้นให้ท่านนาบีขอแล้นะขออภัยโทษ ต, ต่อล้อให้อภัยโทษความคิดคิดคิดผิดๆเนี่ยเยอะไหมเยอะมากในสังคมมนุษย์เราเนี่ยนะคิดผิดมีไหมเยอะครับเป็นแขกไหมเป็นแขกเป็นมุสลิมนลัลนะนมาณห้าเวลานี่แหละอ่านกูอ่านสม่ำเสมอแต่บางทีไม่ได้คิดนะ เอาความคิดตะวันตกมาใช้เอาความคิดแบบคนจีนมาใช้เอาความคิดแบบประเพณีปฏิบัติมาใช้เอาความคิดของมะมาใช้ปึ่งัมะที่สั่งเอาไว้มันของพิษศาสนาเต็มไปหมดเนี่ยท่าเดินตามมะหมดก็ไม่ได้เดินตามพ่อทั้งหมดก็ไม่ได้ก็อเอาคุรานเป็นที่ตั้งแล้วก็เดินตามอัานคุรานบางทีก็ไป ขวางกามะก็มีุางที่ขวางกับพ่อก็มีแล้วก็ต้องวางตัวให้ดีเพราะต้องการจะเดินตามอัลกุรอานเดินตามซุนนะท่านนาบีอย่างเงี้ยถ้าหากว่าใครเอางานดุนยาใหญ่กว่างานอาคีรออัลลอฮ์สั่งให้ท่านนาบีฟาสตักฟิดละหุมุลลออัลลอฮ์ให้ท่านนาบีนั้นขอมาต่อรอลลอภัยโทษให้กับพวกเขาด้วยเพราะ คิดเรื่องดุนยาใหญ่กว่าเรื่องอาคิเราพี่น้องนี่เป็นความรู้ทั้งหมดเลยนะเราทำโดยลีลาขอบคุณอัลลอฮ์นะคุณอ่านอายะเดียวสอนหลายเรื่องนะพี่น้องนะอ่าวกสุดท้ายอินนัลลอฮ์กอฟูร์รฮิทแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยเห็นไหมกอฟูรคิดผิดก็บาปนะ อ๋อนี่พี่น้องแค่เดินออกจากบ้านมามัสยิดถ้าไม่อ่านฮะดิษนะการทํามือแบบนี้เราว่าไม่ผิดถ้าถามเรานะก็มือเราอ่ ะ, อะเพราะอ่านจากฮะดิษผิดเดินออกจากบ้านอาบน้ํานมาดมาจากบ้านต้องการจามาะมานมาดที่มัสยิดทํำมือแบบนี้ผิดเป็นบาปความคิดเราไม่น่าจะบาปใช่ไหมล่ะแต่ถ้าไม่อ่านหะดิษยังไม่รู้เห็นอย่างครับนะฉะนั้น แล้วบางทีคิดผิดๆก็เยอะอยู่ในตัวเราเนี่ยฉะนั้นต้องเรียนครับต้องเรียนาศาสนาทั้งหมดเลยคนนั้นคนที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์คิดแบบนบีคิดแบบตามาอัลกุรอานอัลลอฮ์ชีวิตเขามีบรารัคตมากนะท่านเบน้องนะวัสตัฟิดละหุมุลลอออินนบลลฮะรฟูแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้อาภายัยนี่นบีขออุทิให้อาภัยโทษ นะครับแล้วก็ถ้าเราทําผิดเองขออภัยเองดีไหมอัฮัมดูเรื่องนี่นบีขอดูอาเผื่อไ้แล้วเผื่อคนที่คิดอะไรโลกดุญยาเนี่ยใหญ่กว่าโลกอาคิเราะคิดเรื่องเงินใหญ่กว่านมาด ก, กว่าพิดโอคิดเรื่องเงินอย่างเดียวเงินเงิน่านมีเงินมาก็ทํางานงานงานลืมจ่ายสะกาศผิดไหมผิดอันนี้เป็นตัว รอฮรอฮีมแปลอะไรนะผู้ทรงเมตตาเสมอคําว่ารอฮีมเนี่ยนะใช้ในโลกอาคีรออย่างเดียวบนดุญญาายนายาใช้รอฮ์มานอาคีรอใช้รอฮีมอัลลอฮ์เมตตาเสมอกับคนที่มีอิมานต่ออัลลอฮ์คนที่คิดเหมือนความคิดของท่านนาบีเหมือนกับอัลกุรอานคิดอย่าเอาชีวิตดุนยาเนี่ยใหญ่กว่าชีวิตในโลกอาคีรออย่างนี้เป็นต้น ก็ข อ, ขออธิบายเรื่องชีวิตดุนยากับอาคิรอดเนิตนางไปนอนกับชีวิตอาอาคิรอดเนี่ยนะให้มองดูน้ําทะเลนะ้ําทะเลนี่ยนั่นคืออาคิรอดทั้งหมดนะครับเนื้อมัดในท้องทะเลเนะี่ยชีวิตในอะคิรอดอนานอบี บ, บอกเนี่ยให้เอามือคุณเนี่ยจุ่มลงไปในมหาสมุทรแล้วก็ยกมือขึ้นมาไอติดอยู่ที่ปลายนิ้กวก็คือเนื้อมัดดุนยาที่อัลลอฮ์ให้ฉะนั้นอย่าหลมไอเนื้อมัดปลายนิ้วอยู่เนี่ย อรอได้ามานิดเดียวนะได้ามานิดเดียวเนี่ยมัดดุนยาอยู่ที่ปลายนิ้วมือแต่เนี่ยมัดอาคุรอห์อยู่ในมหาสมุทรนบีอธิบายให้เห็นชัดๆแบบนี้เออใช่จะไปหลงได้ไหมเนี้ยมัดดุนยาเนี่ยมัดดุนยามาเพื่อให้เราเนี่ยป้ององตัวเองไม่ให้ทําบาปใช่เนี่ยมัดดุนยาให้เป็นประโยชน์ให้พาตัวเราไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานฮูวาตัลละนะครับพี่น้อง อต่อมาอายาที่เทไรนะอายาที่หกสิบสามอัลฮัมดุลิลเลานองคือเป็นงนี้คนมูนาฟิกเนี่ยนะประชุมเทไรมันหนีทุกทีเลยละ้ะครูตบายามังกันหนีนมาดีดยามังกันหนีอย่างพวกเราเนี่ยนะมาตรวิยากูกระทืมพื้นุเราวตึง้งทำไมอ่านช้านั่นนะชีวิตพอๆกันกับคนมูนาฟิกสมัยนบี ต้องต้องนึกนะพี่น้องนะอาทีนี้สรุปจากสามสรุปจากอาญานี้มีอยู่สารประเด็นประเด็นที่หนึ่งมีการประชุมงานศาสนาเช่นนมาศอีดนมาศวันสุกนะครับ Public s p e ป c h พูดกันต่อหน้าประชาชนพวกเราห้ามหนีออกจิฮาดต่อสู้ในสนามรบห้ามหนีที่ประชุมงานใหญ่ๆ ห, ห, ห้ามหนี ต้องนั่งประชุมแล้วก็มีความคิดเหมือนกันนี่เป็นงานศาสนาทั้งหมดเวลาจะออกจากที่ประชุมต้องขออนุญาตท่านนาบีซะก่อนยานี้ออกแบบลับๆเหมือนครเหมือนมูนาฟิกที่หนีออกจากที่ประชุมของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลันอัลลอฮ์สัส่งฉะนั้นนบีอัลลอฮ์เนี่ยตำหนิคนมูนาฟิกชอบออกจากที่ประชุมแบบเงียบๆโดยไม่แจ้งให้ท่านนาบีรับทราบเป็นความผิดครับที่นออ่า แล้วข้ออีกข้อหนึ่งข้อที่สี่ก็คืออญญายานิสอนนะอย่าหลงโลกดุลยามากกว่าโลกอาคีรัตนะครับอย่าหลงดุลยามากกว่าโลกอาคีรัตนะครับให้หลงอาคีรัตมากกว่าหลงดุลยาอย่างี้เป็นต้นนะครับต่อมาครับเรื่องที่อายาที่63า ล َا ت َ جعلدعاء الرسولبينكم كدعاء بعضكم بعض قد يعلم الله الذين ي ت س َ ل و ن منكم لواذا เอาคนี่ ลา ت ะ جعلدعاء الرسولبينكم كدعاء بعضكم بعضالحمد لله ้องนี่เรื่องมารยาทในการเรียกคนเรียกกันพี่น้องอัลลอฮฺสอนนะถ้าจะเรียกนบีเรียกยังไง ฉะนั้นอย่าเรียกนบีเหมือนเราเรียกคนในบ้านของเราต้องให้เกียรติกันและจะจ้าลูแปลว่าจงอยารร่าทมนะเรือจงอย่ากำหนดดวงอาร์รอซูลการร้องเรียกรอซูลหรือเรียกมุฮัมมัด เรียกรอซูนเรียกนบีเรียกมุฮัมมัดเรียกยังไงนบีสอนอัลลอฮ์สอนให้เรียกอย่างนี้อย่าเรียกว่ายามุฮัมมัดอ่าอย่าเรียกอย่างนี้อย่าอย่าอย่าเรียกชื่อนะอย่าเรียกชื่อว่ายาอะไรนะยามุฮัมมัดหรือว่ายาอับัลกอเซมอย่าเรียกอย่างงี้โอ้พ่อของกอเซมพ่อคนอาหรับเนี่ย ท่าลูกชายคนโต ช, ชื่อชื่ออะไรนะชื่อกอรเซมก็จะเรียกว่าพ่อของกอรเซมเอ๋ยอันเรียกกันในหมู่เ พ, เพื่อนมนุษย์มนุษอยู่กันแต่จะเรียกนบี ม, มุฮัมมัดเรียกแบบเรียกคนทั่วไปไม่ได้ให้เรียกอย่างนี้ยานาบียะ ล, ลาอโอ้นาบีของอลัลลอฮ์หรือยารอซูลลัลาอ้อรอซูลของอลัลลอฮ์นี่สอนซาบานาบี อย่าเรียกนบีเหมือนกับที่ท่านเรียกชายบางคนลูกเขาลูกคนโตชื่อกอเซมก็เรียกว่าอาบัตกอเซมหรือว่าพ่อของมูฮัมหมัดนูตอย่างเงี้ยอย่าเรียกเรียกว่างนะโอ้ oh, นาบีของอัลลอฮ์หรือโอ้ยาละซูลลอหนี่วิธีเรียกนบีตัวเรียกแบบนี้ต้องให้เกียรติ แต่นี่วันนี้นบีไม่มีเราก็ต้องเรียกนบีเหมือนกันบมงทีเราขออะไนึกถึงนบีก็ยาละซูลุละลายนบียะละลา ย, า ย, าายมันจะยาโมฮัมมัดยาโมฮัมมัดมันเรียกคนพวกเราเองใช่ไหมแต่ให้ให้เกียรติกับท่านนาบีโมฮัมมัดเหมือนกันวันนี้เราเรามีบุคคลมีอุลโมาร์อย่าอยาไปเรียกเขาชื่อตรงตอ่ะท่านเอาอาเรบุละมาร์ามาเขก็ต้องให้เกียรติกันใช่อะไรไม่ใช่เราเป็นลูกชายของใครอ่ะ ตุชายจุฬามัต้องเรียกให้เกียร์กันหน่อยนะอัลลอฮ์พ่อมีตําแหน่งเป็นจุลาร า, ราชมนตรีเป็นสวสคก็ต้องให้เกียร์กันใช่ไหมนะถ้ามุสลิมเนี่ยอัลลอฮ์สอนอ่ะให้ให้เกียร์อัลลอฮ์อัลบาดยิ่งตําแหน่งอิหมามตําแหน่งเป็นผู้นำศาสนาก็ต้องให้เกียร์กันเดสเปกกันยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่สอนเรื่องมารยาทนะครับพี่น้องอทีนี้อย่าเรียกอะนะเช่น เอ่อมูฮัมมัดอับูคอเซมอย่าเรียกอย่างนี้นะให้เรียกอะไรนะให้เรียกดีๆเช่นอย่านบีละลออยารอซูลลลอนะครับพี่น้องในตัฟซีหลายๆเล่มท่านจซอสอธิบายอย่างนี้แล้วก็อิฟนรีก็อธิบายอย่างีาา้อธิบายอย่างี้ท่านจะอธิบายบอกว่าใครที่เรียกรซูลเนี่ยอย่าใช้เสียงแข็งอย่าใช้เสียงแข็งแข็งเรียก หรือว่าอย่าพูดจาแบบหยาบช้านะครับเรียกนบีแต่พูดเสียงแข็งก็ไม่ได้นี่บางตัฟซิดอธิบายอย่างนี้นะเรียกเสียงแข็งให้เรียกเสียงขอบนิ่มๆหน่อยหน่อยโอ้พระสูรขอร้องครับต้องมีคับครึบดมากจำไหมอาจาหัม้มอลอลลอฮฺสุลลัลเสียงแข็งนาดู โอ้มันพูดอัลลอฮ์จเสีมันกดงดูลต้องนึกเยอะๆนะครับอาตว่ามาครับละท่าจอนดวอัลลอฮซูลท่านทั้งหลายอย่าเรียนะครับรอซูลของอัลล์บยนุมกอบาดิุมบาอเช่นเดียวกันการดกาเนี่ย กล้เนี่ยเพว่าเช่นเดียวกันกับการเรียกบ่าดูกุมบ่าดุกุมบ่าวดอบางคนเรียกหรือว่าตะโกนเรียกบางคนในหมู่สูเจ้าอีกบางคนเราเรียกเพื่อนเราเมือจะเอ้ยมาไหนไวุ้ยอะไรเงี้ยใช่ไหมตะโกนดังๆหน่อยกับท่านนาบีอย่าทําต้องยกเวน้นเรียกนบีต้องเรียกเสียงดีๆเพราะเพราะ เรามีหางเสียงด้วยนะเรียกเพื่อนกันอยู่ด้วยกันไม่มีปัญหาเรียกไปไหนก็เรียกไปเธอ